อุปชาท่านสั่งก็เลยต้องเทศในในๆจะเทศนะหลวงพ่ออยากจะบอกพวกเราว่าหลวงพ่ออยากจะเอาของดีมาคืนคนสุรินเมื่อ26สปีก่อนหลวงพ่อมาได้ของดีของวิเศษไปจากเมืองสุรินที่ได้ไปจากหลวงปู่ดูลตอนนั้นมาเรียนกับท่านอายุยังไม่มากนะอายุย9ส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 กลับไปบ้านนะก็ไปอ่านจิตตนเองเอาเลิกถ่ายรูปได้แล้วนะถ่ายรูปมันกวนสมาธินะตั้งใจฟังธรรมะหลวงพ่อกำลังพยายามจะเอาของดีมาคืนให้คนสุรินทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงบุญคุณของคนสุรินนะคนสุรินได้เกื้อกูลอุปถัมภ์บำลุงหลวงปูดุล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 เป็นก้อนๆภาวนาไปดูจิตจูใจไปมันยิ่งแนนขึ้นแน่นขึ้นนะก็ อ, อดทนดูนะคิดว่าเราต้องร่วงทุกข์ด้วยความเพียรนี่มันทุกข์แล้เห็นทุกข์แล้วนึกว่าหลวงปู่จะชมนะไปดูไอ้ก้อนทุกข์ที่มันปลู่ขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยคิดว่านี่แหละดูจิตนี่เห็นจิตมันเป็นตัวทุกข์อยู่ดูอยู่สามเดือนไนะอ้ตัวก้อนนี้ก็หายไปใจก็โปร่งโล่ ง, ลงสบาย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 แต่และ ว, วันเนี่ยความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันนี่ใจมันคิดใช่ตามองเห็นตามองไปเห็นตุ่มน้ำใจเราก็เปลี่ยนใจเราก็ไม่เหมือนกันลิ้นเรากระทบรสเนี่เรากินข้าวเห็นอาหารนะอาหารอย่างนี้ชอบอาหารอย่างนี้ไม่ชอบใจเราก็ไม่เหมือนกันถ้าเจอของชอบใจมันก็พองนะเจอของไม่ชอบใจมันก็หงุดหงิดลำคาญไม่พอใจออกมาที่ถนนนะจะไปทางานสมัยก่อนขึ้นรถเมล์ไปทางานคนกรุงเทพเนี่ย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 แต่ครั้งสุดท้ายที่ไปลาท่านนะมันคอยเวียนกลับมาดูท่านเรื่อยๆนะใจมันอะไรเอาบอลมากเลยใจหายนะั่นมันเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายนะแล้วเก็ไม่รู้นะว่าเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายลนะวันรุ่งขึ้นออกมาจากเมืองสุรินทร์ก็ไปแวะโคราชเมื่อก่อนหลวงพ่อออกจากสุรินทร์ที่ไหนต้องแวะไปหาหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวันทุกครั้งคราวนี้ก็ไปหาท่านที่โคราช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 เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทําทลายเปลือกออกมาเองโอ้โหฟังทำของท่านนะโอ้โหสะเทือนใจท่านภาวนานี่นะเด็ดขาดเลย ท, ท่านท่านทําลายของท่านได้ละวนี่ทีนี้ในที่สุดท่านก็เป็นคนบอกหลวงพ่อจดุดใดเรามาภาวนาต่อนะก็าภาวนามาเรื่อยๆแหละจิตใจมันก็ค่อยสบายขึ้นสบายขึ้นขอให้รู้เท่านั้นนะ่ะให้ดูจิตดูใจของเราไปนะ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 อาภิวาทนาศีลิสนิจังุทธาปจจายโนจัตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสดุ ข, ขังพระลัง